การสวมรอยของกิเลสสติปัญญาเป็นเจ้าของและรักษาจิตเทศอสุภละเอียดกิเลสพาให้เราหน้าด้านเทศถึงที่สุดกาลามสูตรเชื่อความจริงที่ตนรู้เห็นประจักษ์กันนี้ดีมากฟังและอัดได้ทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติ ห้ามอัดที่พูดนอกจากเทศผู้มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดถ่วงทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทาง แห่งความเพียรด้วยสติปัญญาสธาความเพียรกลมคืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยเคยคินแบบโลกโลกแบบกิเลส ก, กับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอ การจะแหวกไหวตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องที่เลดหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้ที่เลดเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์แห่งความเพียรใดจะเป็นไป ด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอ น, น, น, นี่เพิ่งทราบว่ากิเลสได้สวรมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิหนาละอาใจขี้เกียจที่คร้านนั่นคือกิเลสเข้าธรรมานเข้าหีดขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจ ให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอ น, นี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในอิยาบทใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแทงอยู่จนได้เพราะ สิ่งเหล่านี้มีอํานาจมากในหัวใจของสัตว์โลกจะพ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท่แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียบตะกายหวังพระเพื่อความดุพ้นโดยไถ่เดียวเรื่องความยากความลําบากทั้งหลายนั้น ไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือทรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมขันติธรรมน้นเข้าไป ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภายที่สิงหรือแทรกสิ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรม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 ไม่ขาดไม่ฝันว่าจะเลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสกสรรตัน้นยอว่าเป็นครูเป็าจารย์ให้ในนํามสั่งสอนมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหวีย่ยงต่อสู้กับพิเดษเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ ต่อหน้า ต, ต่อตาเราทั้งๆติดกําลังประกอบความเพียนอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายาตัวเป็นคนต่าต้อยเอลสาม ไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจริงต้องมาได้รับความดัดทันดาน <c oughs> การดัดทันดานอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนา <c oughs> เช่นป่า <c oughs> เช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่ม <c oughs> ันแทรกขึ้นมาเหล่านี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรม็นเรื่องที่ยิเลที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปรารถนทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปรารถนทั้งหลายท่านต่อสู้กับ ยิเลสสมนทั้งหลายสถ า, านที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิพุโทโธขึ้นมายิเลสจะถุดลากออกมาจากสถ า, านที่นั้นเข้าสู่ในเงื้อมมือของมันแล้วยียบย่าทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทานกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัย นี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เพิ่งทราบว่านี่แหละเร่อยเลียมอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาพาเพียนแทรกคือปับธรรมทรเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สูงวงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูดลากไปตามอารมณ์ของมันเสียแต่พิจนาทางด้านปัญญาก็ ก, กลายเป็นสัญญาอารมณ์ อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าออกช่องไหนเดินออกทางไในมีแต่ฝากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสลากกลับหู่ความก้าวหน้าเป็นเรื่องของทํามก้าไม่ออกเพราะคนมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแล้มผมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขวากตามหนามที่มันปักเสียบเอาไว้นั้นได้ จึงต้องยอมจำหน่แล้วกรรมาตายอยู่ในกล่องทุกวันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาลูกเสียงกลินรถเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิน้พานพันนาไม่จบไม่สิน้นสัมผัสสำคัญอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุ ง, รงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เ็ดหลางสิ่งอันนี้เป็นของมีมาประจำโลก ม, ม, ม, มีอยู่องไงก็มีอยู่ตามเรื่องของเขา แต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดึงกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาถ้ะจนจำเจนนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดอร่อยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเฉียดลาด กับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นๆด้วยการบวกลบคูณหารไ ต, ตรกองลวดสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเขียนหลากก็เขียนหลากกันไปไม่แต่ต้องฝาฝูนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกําจัดกิเลสสมานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกมาได้โดยลําดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกและเห็นโทษของกเด็กไปโดยลําดับ ล, ลําดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอ น, ตอน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 แต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภาจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหียบย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาบกบางบ้างเลยด้วยความสะดวกแล้วก็เกียดครานลืมเนื้อดืมตัวไปความลืมเนื้อดืมตัวนี้เราทราบทราบไหมว่าคืออะไรถราเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเกียร ภาคูต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยเช่ไม่ได้สติปัญญาหมูต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแกต้นออกโดยลําดับเท่า น, นั้นนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั่นเดือนนี้ปีนั่นปีนี้ได้ประโยชน์อะไร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 เพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่บแบบหมูขึ้นเขียงลอมสับลอยำอยู่เท่านั้นมีต่างองต่างมาจากทั้งทางใกายทางกายมุ่งมาประพฤติปฏิบัติแลนะทำไมการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลาดับลำนัาไม่ได้เรื่องบบดใดล้ว เ, ร เ, รเรพราะจะประกอบความเพียรค่ากิเลส ดับเป็นกิเลสฆ่าตนเสร็แล้วทั้งๆที่ทยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสร็แล้วจะหามัคคุนิพานมาจากไหนอํานาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพี่ยนมีน้อยหรือความเพี่ยนล้มละลายไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไร ไม่ต้องกล่าวถึงปัณณาสมบัติที่ปราดทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเราจะวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสาคัญที่พอที่จะพึ่งพิ ง, พงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่มี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเล้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีปราช้าเป็นไปไม่ได้เลย เพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งน้ําทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายาซ้าๆสักๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กลับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิ่นโลกหาป่าหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความบุญพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวล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 ต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้อย่างไงไว้ใจได้อย่างแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อจีเลก็เชื่อมานานแล้วนี่ได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคือหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอานับเอานับเอ า, เอาได้อะไรจากการนับนั้นนับลงนับแย้งกันไปอย่างไรให้มันเห็นประจักษ์ภายในยเกียิมันร้อนร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้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 ความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไยเพราะลมจิตใจนั้นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนาธาตุขัน่านี้ซึ่งปรากฏขึ้นช่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปช่วระยะการดังนั้นแจกกิเลสฝังใจนี้มันฝังจริงๆทุกข์ฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกข์จริงต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกข์ เมือ่อคดีเดชจึงมีมากมีน้อยทุกก็ต้องมีมากมีน้อยตามคดีเดกไม่อยู่ที่ไหนให้กุดค้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเห็นแล้วไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พอยาเสียดายชีวิตความเสดายชีวิต ความอิหนาละอายใจต่อความเพียนในประโยคต่างๆนั่นให้บึ้งทราบว่าตัวมารกิเลสมานมันแทรกมันแทรกมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดเนะ่มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่เป็นการเปลี่ยนเวลาเท่านี้ไม่ได้อีรังังถาวนอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นสมมุติ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 มันไม่มีพานาใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณอ์อาไปก็เป็นเลี้ยวๆหลายๆล้มๆกันๆไปอย่างไ น, นได้ประโยชน์อะไรอันไม่มีที่ไหนเลยเห็นธาดุอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหน เราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบิ่งวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่ไหนอะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางทำถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางจะทำความทุกข์แท้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ไ้รับความทุกข์ความลำบาก นี่ก็พยายามมาให้มีการมีงานให้หมูเพื่อนประกอบความภาคเพียรด้วยด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงก็ยี่สิี่ชั่วโมงทาไมจึงมองดูภายนจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องได้แล้วมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดว่าไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะสัะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองมั้นถึงไม่ได้เจออาจเจอทำ แม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่ส่องแสดงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทํไปนี่หน่อยก็ทะเลาไหลประจำเริ่มหงุดหงิดไปเสียว่าเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำหนึ่งไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นสิอ่ อะไรอะไรเมื่อกล้าไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าดีกว่าไม่คํานึงขึ้นว่าคําถอยการถอยมันดีดยังไงถ้าก็ถอยเข้ากว่าเข้าน้ําเข้าคืนเข้าไฟให้เผาลุ่นตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนั่นเลเรื่องอุบาทของยิเ่สมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติอ้าวมันจะเป็นปืนเป็นไฟยอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่ มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็ น, เ ป, นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทยัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลทางความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของของมสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไ ป, ไปหายไปไม่รู้ได้ชัดนอ๋อหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยน พี่นาอย่างนี้นีม่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่มเลยแล้เหมือนกับธรรมของครูเก้าเป็นโมคะสอนคนให้เป็นโมคะเป็นสาระสาคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอรอโกแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทมตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เงยไม่ได้เรื่อง หามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลไม่ได้เรื่องได้เลวายัวเยียร์ยัวเยียร์ยเยียร์มองไปไหนเต็มกับภาพแต่เนียนยัวเยียร์เยียรเยเหลวไหลไหลทั้งนั้นถ้าลงยัวเยียร์เยียรแล้วงานอะไรที่จะสําคัญยิ่งกว่างานแฝกกิจเดินไปไหนก็ดูมันจะหิวเป็นยังไง ถึงมาต่อสู้นี่ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกรําหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามน่าของกิเลสมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันล่าขึ้นเขียงทั้งนั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปครูจะแนะนําสั่งสอนเป็นอัดเป็นทำเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็ จะไม่มีตั้งหลักตั้งเจนขึ้นในตัวไม่ได้งั้นจะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาหลวงปู่บาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยลเลยหรือนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราจะ เข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สําคัญเหนือบวชที่แรกอุปชายะท่านสอนว่เาเจกสรูมานะฆ า, า, ต, าตังตาแตจูเป็นต้นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหนือแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนือ้อเหล่านี้เราหลงอะไรทันโลกหลงนี่ทั้งนั้นแต่ได้หลงพ่ออะไรพ่อเกิดมันหลอก ว่าเป็นของสวยของงามของกีลังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเหล่าทั้งทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาแล้วก็หลงความเสกสารตัญนยอความจอมปลอมของพิเรและอย่างจมเลยนี้ก็เลยเห็นว่าเสษสารลงมาหนาขาทางตาตะโจเป็นผองไม่สําคัญเข้าไปนั่นก็เป็นเรื่องสําคัญเฉพาะเรื่องของพิเลสเรื่องหลงคิดตามพิเรนเท่านั้นเพื่อความแยกแยะ จึงต้องดําเนินตามหลักที่ท่านสอนนี่เพื่อขี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดคนน้นไปจนถึงความจริงดูที่จะดูผมกว่าดีขนขนก็ดีเล็บฟันหนังกว่าดีดูให้มันละเอียดละอ่อนแล้วจะซึมซากเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมาเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่นั้นคืออะไรมันก็ทราบชันว่ามันจร ความยึดมั่นถืมั่นจะเคยยึดมามากน้อยเย่งไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาหยัง่งลงถึงความจริงตามหลักธรรมของที่เจ้าที่ทรง ส, งสอนไว้แล้วเถิดมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาะออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขเท่านั้นสงบสบาย พิจารณาอะไรก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเราว่าจะล้มจะตายตัวจะจะทุกข์จะลําบากการต่อสู้ขั้นกับการต่อสู้ถ้าลงไปคํค า, า, น, า น, น, น, คนึงถึงความลําบากลาบนอยู่แล้วตายเห็นนั่งมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคํานึงถึงเรื่องความลําบากลาบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องมังโอกาสที่จะ นอกคู่ต่อสู้ให้พังลงไปทงเท่านั้นแม้นนที่นั้นเราแพ้ได้ที่เดีอันนี้เรายังจะจะแบกหามเอาความทุกข์ความลําบากความยากความท้อถอนแอ่เข้าไปในวงความเพลี่ยนด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกนอกถูกนอกไปเท่านั้นเองนั่งขสัตว์แต่ว่าเป็นพิธีเป็นกินกริยาเราคิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นคิเลสจริงๆแม้ว่าจะ อาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมาอั น, นเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละร้อยเปอร์เ็น้อยอร์เ็ตไม่มีบินเลยอความเพียรขเราจะทันมันได้อย่างไรพอจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเต ะ, ม า, เตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่ทินี่มันทำให้อิจนาและอาใจสยาสำหรับผู้แนะนำสั่งสอน ออการทีก่ก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบลบแก่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดท่านสั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติกาผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดําเนินตามท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักพบขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ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 ไม่ใช่มันมีจะมีก็เป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อนังมันเหนือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถฐรนไม่ได้ทางไมหมดทิพไายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนถ้ากิเลสมีกาลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชาติความเพียรต้องแก่กล้าสามารถมันเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตฝุกจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องกาปลปรามพิเดชซึ่งครอบนำจิตให้แต่กระจายไปได้โดยลำดับบรรดาจนบืนไม่ได้ มีแก่ใจที่จะบุนพุทธาพยายามอย่างเล็กน้อยกถอยย็ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาคําหนักเบามาขีดกั้นทางเดินแห่งความเปลี่ยนของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่รอดเราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนั่น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 ยูไหนมันก็ร้อนแต่หมดอะไรจะมีเท่าภูเขาราวกามันก็เป็นกองอ น, นั้นอ น, นั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรจะเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่ มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมุติเย่แต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วที่เหลือต้งลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือนั่นแหละกองมหาสมบัติอันใด ห, หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังเพึ่งพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จถึงนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนันเกาะเกี่ยวกันหาอะไร ต่างอันต่างปีงต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอย่นี้ก็สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการทํานั้ไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงมันไปตลอดกาลเช่นเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยเมื่อช้ได้ก็ใช้กันไปอมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแจะมาแบบมหาไม่ทําใหม่ ร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเครื่องอาศัยช่วงระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการตแต่ก็อย่างอีกอย่างของมันเท่านั้นจิตก็เป็นจิตไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเ อ, อื้มนี้ยึดนั่นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อ ย, ยอยูย่ ต, ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอาัตตาเหตุนวนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ พูได้ทั้งทาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้เกิผลอช่วย ต, วตัวเองได้แล้วนพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี้โดยสมบูรณ์แล้วอพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ขวายคว้ามีผลในเรื่องการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้น ทำของผู้ได้เจ้าก็เป็นทำทสดๆร้อนๆีิแท้ๆทำไมถึงจะมาล่าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล่าสมัยก็เองทำล่าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล่าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจกัดวิเลตได้ปล่อยวิเลตให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกดเกณฑ์มีร่ำเวลา เรียบทใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะกิเลสไม่เคยคําว่าพอแล้วไม่เคยมีในกิเลสมีแต่บึกบืนต่อเหยียบย่ําทําลายไปไเรื่อยเรืยเหมือนไฟได้เชือ้อคาว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์นี่เท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอ้าขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็อาฝากเป็นฝากตายตรงในนั้นความรู้ให้อย่างลงในจุดที่ทำงานนั้นสมุดว่ากำหนดอนาปาณาสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลง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 ผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดบัาขาดต อ, เอนเถิดยินธรวมาความสงบซึ่งมีแต่ชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำทำอย่างนั้นพูดถึงเรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลสายไปได้ วิ่งขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้านี่เวสารุมานะาะเป็นตาตะตูหรือในรูปประขันนี้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่มันท่องเที่ยวอย่างนี้หรือจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดจากเก็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในะแล้ววกเวียนกลับไปกลับมาเทียบสัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับจิต ด้วสติด้วยปัญญานี่คือการทํางนานที่ถูกต้องอจะให้รู้ให้เห็นกนะารททั้งหลายอันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทําจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นนี่สอนก็สอนน่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนหล่อจนเน็ด จ, จนหน่วยกําลังวังชาก็ลดลงโดยลําดับลําดาบทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วประชุมหรืออบรมพันเนรแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกได้ ตั้งเป็นประโยคพยายามถ้าเป็นไม้ ก, กว่าเดียอะมันหนักกําลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นจะให้การลุมแนะนำต่านๆมือเพื่อนแต่และการเวลานี้ก็ต้องเหมือนกับว่าได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นเสแล้วตัววันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือมันไม่อํานวยเพื่อนจึง ควรชนใจทมที่แนะนำสั่งสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมาถะและด้านนิัพ ส, สนจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่งางไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงูเง่าเต่าตุต่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของจิเดชบีบบังคับมา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 ไม่เคยเห็นก็ตาเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดมิดปิดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแปลกประหลาดอาศจรรย์ขึ้นมาตานหลับธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุห้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมา อาการใดมีแต่ที่เด็ดพาให้กระดิกไม่ใช่ทําพาให้กระดิกพาให้คิดให้ตึงเวลานี้เรากําลังอยู่ในภาวะเช่นนี้ลองพยายามตะเกียบตัดการถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายใ น, ในใจิตใจตลอดถึงพบชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกติดตาม กันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดจะ บ, บ้านลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื่อทั้งหลายแล้วมีเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอศัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากกับพิบพเศษทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประเสริฐก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ คณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองก็ไปแตเป็นอสุภาอสูพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเคียงกันตามความจริงความจริงยากฝืนความจริงแยกแยะกันนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตดูไปจิตกระเพลิบไปแล้วความเพลินในจิตขนาดนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในจิเล์ความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรม จิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปทั้งเกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลพองสยองเก้าในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายนี่ต่างๆเพลนอยู่นั่นกาหนดพิจารณาทั้งทลายลงไปทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่แตกไม่พังการนดเวลามันทั้งมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงไอ้ที่ทเหลือหลอกมันทําไมหลอกได้ เราจะพี่าราแก้ความหลอกหลอนจำปลอมของกิเลสด้วยการพิจารณาทิ้งอสุภอสุพังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทําลายเป็นอ น, นิจจังตุ ก, งาากังตะตาก็ดีซึ่งเป็นทำแก้ความจำปลอมไปแค่ทําไมจะผิดไปเอากําหนดดูเวลามันแตกมันสลายไป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหม็นสูงทั้งท่อนแต่สูงทั้งท่อนมันไม่เหม็นไม่ปฏิกูล ในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลโสโครกไม่มีอะไรเกินร่างกายมนุษย์แม่งครุ่งไปหมดเนี่ยเราก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาอันนั้นก็พังทลายลงไปเปื่อยลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันไปนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาขายคือยานปัญญาญยาหืมครอบไว้หมด ก็นั่นกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดดูอย่างนั้นไม่ได้ลยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุได้สิ่งเหล่านั้นจิดจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันจะแช่เห็นได้อย่างชัดหนักน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุได้จริงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวก กันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นที่สอนเจ้าของอยิ่งเรี้ยงทให้หน้าด้านนี่ว่ะยิ่เลี้ยงนี่นตัวหน้าด้านเนอ่ะเอามเอาแหลกันไปพิจนารณาแล้วพิจนารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลกทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสําคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจดูแจง้งถึงชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องบอก มันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อเองอมไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อนุ้งแจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกอุปปท า, านออกมาทั้งรูปปัจขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณขันธ์ มันมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบและเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่า น, นี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพรัน้นเลยพิจารณาชัดเจนตรงนั้นมันจะหนีจากจิตได้อย่างไรมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมผัสเนื่องจากได้รู้ด้วย เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามอันที่สัมผัสสัมพันธ์หรือดูดดื่มนั่นเลยความดูดดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตเท่านั้นไ ม, ไม่ว่ารูปเสียงกิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหมดความดูดดื่มเพราะรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนั่นจิตมันรู้เองอย่างนั้นสิ่งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดนีืเป็น ที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้ฮะมันจะกําลังจะเข้าจิตระเบิดกันแรงเบิดบรบภะเบิดชาติเบิดวัตถจิตให้กลายเป็นวัตถจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละอล้วจิปัญญาก็ย่างเข้าไปตรงนั้นพิจารณาขี้คายกันไปแยกแยะ ก, กันม า, านั่นเส่นเดียวกับสภาวะธรรมส่วนอื่น โดยถืออ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเป็นที่รวมลงพอสมมุติทั้งปวงอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งมวลลงที่จุดนั้นไม่ไปไหนอคริเมื่อยังมีสมมุติอยู่มันไม่เป็นตรรัตน์มันจะเป็นอะไรนะไม่ต้องพิจารณาไม่คาดกําหนดติจดต่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองไปคาดก็ผิด เมอมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายเท่านั้ น, นพบชาติจะมาจากไหนก็รู้ได้ชัดนะเหี้ยคำว่ายากยากงานใดก็าตามมันไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุด ตลอดถึงเอาชีวิตเขาแล้เขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนานี่เลยเพราเรื่องวัฏฏานี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เกิบตายในภพน้อยภพใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นในการที่จะรือถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เกิดตายนี้จึงเป็นของที่ทําเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จัง เอให้ขาดสะ บ, บัดลงในปัจจุบันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพราะเราหลุดพ้นจากทุกข์นี่เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองอระพุทธแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรมันก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนัะ่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่า น, นั้นเป็นข้ากายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ นักสาวกอ ร, รหัตลหันกี่หมื่นกี่แสนกีล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันอาจจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันน่าสงสัยไปไหนสิ <c oughs> นั่นเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสยัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนัน้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอยู่แหละอันนี้เนี่ย ทางที่ท่แสดงว่าในกาลามาสุไม่เชื่อตำหลับตำราไม่เชื่อาการบัวจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรอนี้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากจะเราจะเข้าใจว่าเป็นธรรมขั้นสอนกาลมอาอายกาลามาชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดา ความจริงธํานี้เป็นธําที่สูงอยู่มากทีเดียวท่านหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นล่ะฟังจากบระพุทธเ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมาผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็ น, ปนไปได้ท่านสอนนั่นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นนันนี้เรายังไม่จริงน่ะพอมาเตอกันสักอย่างประจักษ์แล้วนี่น่ะจริงนี่ไม่เชื่อใครสนิชเชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้น แม้พระพุทธเจา้าเขาทงสอนสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่นี่แหละกาลามาสุจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวหูตามธรรมชาติแล้วเมื่อตามสมมุติทั่วไปหรือในขั้นทัว่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์จะเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตัณหาตาละเราเรียนมาทําไม ส่วน า, าราทที่ตัดไว้ชอบตัดไว้ชอบแปดหมื่ธรรมขันนี้เป็นทำที่ชอบทงลังไม่เชื่อเรานี้จะเดินได้ยังไงเรก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปโดนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะทำเรานี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะแปดหมื่นธรรมธรรมขันรวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองนั่น ท่านแสดงว่าในกาลามาสุตลงจุดนี้เองนั่งที่พระพุทธยังภาษาริบุตรท่านพูดนั้นพูดถึงเรื่องธรรมที่ควรเชื่อตัวเองแม้แบบพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนันวาเองจนพระปุตตชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาดิบุตรเป็นมิจฉาทิฏิ เดือดย่าำทําลายศาสนาหรืดูถูกดุหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระชายาบุตรชี่แจงจากพวกตาบอดของหลวงนั้นก่อนเรียกพระรับสั่งให้พระชายาบุตรเข้าเฝ้ารับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใชนะ่ข้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จุดที่จะเชื่อตัวเองนี้แนะ เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้เออถูกแล้วสาริบุตรนานฟังเลยนี่แหละที่เราในสแสดงไว้กาลามาสรหมาถึงปจัจจังเว้ตัววินดูและสารทิตโกผู้เองเห็นเองนี่แหละภาพปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี้ ป ฏ, ปฏิเวศก็จะเข้าใจโดยลาดับ ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงนี่ว่าเชื่อตัวเองไร้อยเปล้วเซ็นไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้นั่นพูดที่จะทรงทำเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบตัตินี่คิดตัภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการปฏิบัติ ภาษาวบบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจาเฉยเฉยแต่บรรลุด้วยการปฏิบัติแม้การฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งนั้นกันไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้าแต่สาหรับเราเองขนัดว่าภาคปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ท่างหลาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางจิตสมาธิปัญญามุ่มุ่ดหลุดพ้นแสดงนี่เป็นท่าปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังแัดงเป็นไหนถ้าไม่ต้องไปปรับไปปรุงไปแก้ไปไขไปหุงไปต้ ม, มท่านตุงให้มาเทียบหมดเราควาจะดื่มกินดื่มกินดื่ ม, ม, ม, มกนินก็นั้นนี่หมายถึงท่านพูดผิ่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตาม ความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดพลาดแตการแสดงก็มีหลายอย่างภูมิขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสําคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วก็อธิบายได้อย่างแตกฉาน เต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นมีมดดุตตุพ้นไม่มีอัดมีอัน้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงมาแล้วซึงมีมุตุโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำคำยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนั่นแหละขอให้ทุกท่านหนึ่งปฏิบัติ มีความเห็นัยเสมออย่านอนใจสิ่งอะไรก็ตามยาถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจอยู่เวลานี้ที่จะแก้จะถอดะถอนป่าปรามมันมันที่มิซ่ประจักใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนั้นไม่สำคัญเพียงอาศัยอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอาหารการบริโภค แต่ใจต่างๆจีวรพระบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียนและความสะดวกขอให้ความเพียนสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสําคัญอะไรจะส ะ, สะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียนไม่สะดวกแล้วไม่เป็นท่ายึดอันนี้เป็นหลักไปอย่างอาหารสําหรับวันต่าวันต่าง น, นี่มันเหลือเพื่อซะพอแล้วเท่าที่จะปฏิบัติมาเพราะทํานั้นมัก จ, จ, จะเจริญ รุ่งเรืองจากจิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกบข้องขัดขาดเขินเขินเขี้มเขียมอดอยากขาดแคลนพูดยังไงทำไม่ค่อยเกิดในสถานที่สมบูรณ์ภูนผลด้วยปัจจัยสี่จำให้ดีอันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านผาดำเนินมาอย่างนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ ปัญหาอยู่แต่ที่โอทอนอยากคายแคลนโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นว่าจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่มุ่งเพื่อการปร ะ, ประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหาท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นออยากขาดแคลนท่านไม่สนใจขอให้ทาสมบูรณ์พานาใจการประกอบความเพียรไม่ขาดวากกาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอัยารัายอีกโดยซ้า ทำให้กังวลกับตัุปัจจัยไตรยท า, านทั้งหลายเพียงอาศัยไปวันหนึง่งวันหนึง่งท่านได้อยู่สะดวกสาบายในระหว่างขันกับจิตในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นนั้นท้านนั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอ า, ายุขัยของท่านจะไม่ดีถึงได้พูดเสมอทว่าใ น, นอาหารมากๆทำมห่ยุติวิจารก็จะทำงางมันเป็นเอง มันเป็นเรื่องของศรัทธา ญ, ญาติเดียวของเขาเขาต้องการบุญเจตนาคนประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวงเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งต่งางแล้วนั้นไม่ถูกเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้ให้รู้เราอย่าให้ปากให้ลิ้นมันแซงทำมันเดินล้ำหน้าทำอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อย่าให้ลิ้นมันแซงทำได้อย่าให้ท้องให้ปากมันเบียดย่าทํำลายทำรู้ตัวเสมอ อาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสําคัญมากอันนั้นแหละดีอืเราอย่าไปหลงตามโลกตามสามารถอาหารเผ็ดนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทําช้าเร็วสามนั่นเป็นเรื่องของโลกโลกที่ศกกระตกภายในจิตใจต่างหากี่เลกมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความกินมันศกกระตกในหัวใจของสัตว์แต่ใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัดเป็นธรรม อาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเสบสารและจิตใจได้รับความสะดวกสบายในการตอบของความภาพเปลี่ยนนั่นแหละอาหารสัตว์ตายะให้ถือว่าจุดนั้นนี่คือธรรมเรื่องกรงสมุนีลมเอาแน่ไม่ได้อืมลายยากข้ามาจีดขวางลวงใจเราจะหาธรรมเกิดที่ใจไม่ได้อะการเที่จะทำก่อนเป็นส่กกวนตอนนี้